Book 2 5ห้าในห้างสรรพสินคาน้นคา and t e Winkelzentrum เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม s ัลอนสนาที่ Winkelzentrum ทุกคน ดิฉันต้องไปซื้อของแอคมุดคอนอินกูปิสตุนดิฉันอยากซื้อของหลายอย่างแอคเวลบายเออินกูปิสตุนแผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนคะวอร์ออสติคันตูเออร์อาร์ติเลส์ดิฉันต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน Ek het ตอักูฟาร์ดอินสคริฟบ e ฟต e อื้นนู d i ดอ i ดิฉันต้องการปากกาลูกเลื่อนและปากกาเมจิกเอ็ n ิตอพิ en ิ e เมร์กพินอื i นนูเอดอชแผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหนฟอร์อืสตีมีเบิลส์ดิฉันต้องการตู้และตู้ลินชักอ็กอ ดิฉันต้องการโตเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือฉันต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี ดิฉันต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุกแอคิตาฟุตบ e ลในสก a ตบอร d ดนวดะแผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนคะวอร์สติเครียดสกับดิฉันต้องการค้อนและคีมแ e คิตา m e r เ n อร์ในตังนวดะดิฉันต้องการสว่านและไขควง อากา n บัวร e มชิน r นสก e ูเวดรอย์ n วดก์แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหนวอร์สติยูเวียล่าออฟเทล n งดิฉันอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมืออากิตาฮอลส์กิตัง e นอาร์มแบนต์นวดิฉันอยากได้แหวนและต่างหู Ek het เต n ร์รั en o อุร์เบลล์น